ควบคุมท้งนายเนี่ยในปุภาวนาทั้งหมดชอมีหัวหน้าคณะผู้ช่วยเจาาย้าว่าทึงแล้วคือพระภูสังรัก์นส่วนเครสสังฆ า, าวา่าชอบพระสลัดปรสิทธและในส่วนโบดนี่เปิดพุทธาวา่าชอบพระจางพิลมดูแลกันไปนสูจ น, น์งแล้วทรงรับผิดชอบอันนี้ก็จหาว่าพิสู่ของใครในหมู่ใด ไปรับผิดชอบถือว่าหัวหน้าคณะผิดด้วยนะมาดูแลรับผิดชอบอะไรอันนี้ขอเรียนถวายว่าด้วยถือว่าหัวหน้าคณะรับผิดชอบด้วยแล้วก็มีความผิดด้วยมีทั้งผิดมีทั้งชอบมีทั้งถูกทั้งผิดอย่างนี้เป็นต้นแต่ที่เรียนถวายหลักปฏิการนั่นก็ไม่ใช่มาคลองกระผมเองเป็นของพระพุทธเจ้าสอนมาเนะี่ย ที่เราสอนให้มีสัยปัจจัยลงบูสถแล้วไม่ชะนอกเพลทหรือไม่จะตัง้งเิงคือเราเป็นพระภิกษุมีสมณะสาชีพมีการศึกษาเราเรียนปฏิบัติธรรมเท่านั้นไม่มีการไปดูหนังดูทีวีดูละครในรันคามันเป็นที่อคูจอและเราจุนห้ามเสี้ยสั่งใจเวลานานแล้ว การแต่ท่านมาบวชทุกรูปก็ได้ยินทุกรูปมีฝ่าฝืนถือว่าบาปอย่างบาปอย่างร้ายแรงนะบาปอย่างร้ายแรงไปกดแ่งกรามตรงตีดตามตัวไปอย่างนี้อันนี้บาปร้ายแรงมากเราดูกดแทงตารรมเล่นสามนะเสียจะจะเนี่ยตายโหงทุกรายเนี่ยไม่ใช่ว่านั่นท่านบางรูปเนี่บอกเขาทําได้อ้ว ก, กทํำได้เนี่ยเนี่ยพลอยตายพร้อมกันเหมือนลดควา่า ัำเดวตาต้อง4 0 5 0เนอะโดยไม่รู้จักกันเลยก็มาร่วมกา ร, รเพื่สจะร่วมกันมาเสร็จชาติไหนแล้วเพราะเรียนถวายวาด้วยแล้วเราอยากให้เป็นบาปเป็นกรรมก็ทำเถอะก็มาได้บังคับใจแต่จิตใจของคนจะไปห้ามไม่ได้อนนานาจความโลกห้ามไม่ได้มันจะต้องโลบของมันไปในใจโกรธเนอะมันก็ห้ามไม่ได้ไม่ได้มันก็โกรธ ก็ไม่ได้เคยฝึกกรรมาฐานเลยมันมีโมหะฝืนใครห้ามไม่ได้ก็ต้องขืนฝืนใจคือห้ามไม่ได้หรอกปวดรู้ปวดดีคือโมหะความหลงาตายไปเป็นกัธิรัจานเป็นมากหลายไม่มีปรรัญญาติดฉันอันตรายก็เกิดขึ้นบางอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตคิดคือว่าที่คือ ท, ที่ผิดตงตอน มีความหมายมากเหมือนกันเนี่ยมันก็ห้ามไม่ได้นี้โลกประสาทโรคอะไรโล ก, ลาโลกบาบอโลกโลกหัวดืวด้อหัล้านเหมือนก็เป็นคนหัวดือ้อแต่ที่นี่จิตที่จะไปก็ห้ามไม่ได้บางคนล้มขึ้นเลือดล้มไม่ดีแล้วก็ด้วยอาพาธด้วยจิตประสาทโลกประสาทก็มีห้ามไม่ได้ ก็เนื่องจากโรคภัยระเบียดเบียดเบียนตัวเองเป็นโรคติดก็มีเป็นโรคที่มีลายในใจเป็นโรคบาปพวกมีในใจมันก็ไม่เหมือนกันก็ห้ามไม่ได้เป็นกรรมมบางคนติดที่จะไปอ่อแแม่เราเลี้ยงไแต่ตัวแต่ใจเลี้ยงไม่ได้เนี่ยใจมันจะไปทางทั่วทางดีใครจะไปว่ากันอย่างนั้นนี่มันห้ามไม่ได้ แต่เราก็น่าจะคิดได้ว่าเรามาบวชจะในพระศาสนาเสียสละมาแล้วแค่สามเดือนหนึ่งพรรษาเท่านั้นเนี่อย่างเนี้ยควรจะสร้างความดีเอาเวลาที่มีประโยชน์ที่มาศึกษาเล่าเรียนดูหนังสือนังหาท่อ บ, บ่นจำหมดจำ จ, ำจำทรงในนาวกวาและสวดมนต์ไว้ค่ะจะหาเวลาที่มีประโยชน์มาจเจริญวิ ป, ปัสสนากรรมาฐานบ้างถ้าจะได้บุญ เรจะได้ผู้ชนมากมีเหตุผลถ้าเราใช้เวลาอันมีประโยชน์ออกไปไ ล, สล่สาราเช่นนี้นอกประเด็นพระพุทธศาสนาแล้วไหนเลยลราท่านจะได้บุญเป็ิกซ้อนมีทขอเหตุผลที่มาบวชโดยกฉพะพระราชาตาลามบวชแล้วจะไม่ได้ยศตักเนี้จะไม่มีตำแหน่งสูงจะหา ย, ยหนะในราชาตาในหน้าที่สดเข้าไว้ได้อปอปากไปเลยเนื มืหลายจำพวกที่ผ่านมาเราจดเป็นจดจำกรรมไว้ตลอดรายการบางคนก็ถูกสาบจากวัดไปเดี๋ยวนี้วิกฤจริตแทบส่งโรงพรยาบาลศีรัญญะยังไม่ได้กลับมาเนี่ยลายทุกคนบ้าเป็นคนบอเพราะไม่รู้จักภาษ า, า ม, มนุษย์กลายบ้าบอคอแสกเดี๋ยวนี้ไปศีรัญญาแล้วน่าสงสารบวชที่นี่แหละ เพราะเห็นไดพระโยมเข้ามาราย ง, งานให้ทราบบกพองพ่อให้โหติการามเธอที่เป็นเช่นนั้นบัดนี้ลูกผมไปอยู่ทิศาญาเลยพูดไม่รู้เรื่องี่อย่างนี้ไ่คนหนึ่งจะไม่ขอกราวชื่อคือเป็นผู้หญิงเขาเคยมาเป็ น, นลูกศิษย์ลาแต่เขาไปได้สา ม, มีมีน้องสา ม, มีสองคนอยู่รวมกันคนผู้หญิงคนนี้เคยร็ู้ศิษย์ลาวก็นั่งสวดมนต์เจริญภาวน า, นา น้องหัวแร้ลเคาะประตูบ้างเดินเฉียดไปเฉียดมาแกลในสดมนนี่เป็นคนแกลเขาเขาจะสร้างความดีก็ออกไปแกลเา้าเหมือนอย่างพระนงางกรรมฐานองค์หนึ่งกไง็ไปแกลไปเสียงดังมั่งเสียงแหลมอยู่ในกลกาานุ่มกรรมฐานเดียวกันบาปยังไวแรงเดี๋ยวนี้บา้าแล้วเกิดสมองไม่ดีนะ่ะปริญญาโทเ อ, อิปริญญาโทแกลที่สะพายเห็นที่สะพายสดมน เห็นพี่สะพ้ายชากักอุกประคำก็เดินเสียดสิวไปลบบแล้ว้างเขาก็ไม่ว่าลายแป้งเขามาต้องสามปีเนี่ยเนี่ยแล้วคนนั้นยังไม่มีครอบครัวด้วยอยู่รวมกันทั้งพี่ชายพี่สะพายบัดนี้เป็นยังไงบ้าเลยคลั่งทุบทั่วทุกตู้แล้วก็ไปดึงลูกประคำของพี่สะพ้ายมาสวดมนต์บอกฉันจะสวดมนต์ฉันจะสวดมนต์ แล้วก็ดินทํางานไม่ได้แล้วนับัดนี้นี่นะครับอย่าลืมนะครับผลทางการรผูไรไไรร้ไม่ว่าอะไรจะทําอะไรก็ทํำตามชอบเถิดมัไม่ต้องตามที่จะได้บุญตะคุณฉนไม่ว่าอะไรหรอกขอเรียนถวายไอ้ที่ผมมีจุดมุ่งหมายก็ต้องการทุกรูปมีบุญมีวาสนะมีค้าราเพลิดมีบ้านใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยมีร้านค้าเป็นอยู่ดีตรับราชการก็จะเป็นใหญ่เป็นโต มีหลักฐานดีท่านจะไม่ชอบเช่นนิสุหรืออเรียนถวายท่านไม่ชอบก็ไม่เป็นไายปลาผืนก็ปาปลายแต่ท่านจะจับรับกราทีหลังให้สามปีล่วงให้ผ่านมาถ้าหากว่ามางคนกรรมมนหนักมันก็ได้ปัจจุบัน้าเนี่ยไม่กี่ชั่วโมงนี้เองอเรียนถวายก็ด้วยยังหญิงคนนั้นเช่นนิพายุพ า, พาดูท่านะ น้องผัวแกล้งเลยแกล้งบอกไม่เป็นไรแผ่เมตตากําหนดทิ้งน้องทิ้น้องไปแเราชักผัวคําด้วยอีกทีกทกทโดยเฉพลัตนามาลาที่เราสอนเขาไปก็สวดแล้วแผ่เมตตาเนองผัวเขา <c oughs> นัากเข้าในสุดไม่เกินสองปงคลั่งนหละเนี่ยมีความรู้ดีเนาะคลั่งวิ่งรอบบาท แล้วก็วิ่งไปคน้นสิหลับที่นอนเขาแจ้งอยู่กับคำเข้ามาชักผมจะสวดมนต์ผมจะสวดมนต์ขอแท้จริงไม่เคยสวดมนต์ไม่สนตะไคร้สวดมนต์แกลงนี่แหละเราท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยที่มานั่งกรรมฐ า, านที่มีความสนใจบางรูปไอ้บางรู ป, ปก็แกลงคุยกันนั่นเนี่ยจะเป็นรูปนี้นะครับไม่เชื่อผมไม่เป็นนายต่อไปฮะเครียดกับประสาทจะครั่ จะคล่างแก่ไม่ได้สีทัญยาประช่วยไม่ได้นะมีคนมาขอยาอย่างนี้กันประเภทนี้มากมีมาวานมาสองสามลายในโรคประสาทบอกว่ายมงกลับไปเถอะเอายาไปบัวไบต้มก่อนแต่อตมาช่วยไม่ได้ก็ เ, เป็นโกรธแห่งกรรมก็จะต้องบ่าไปสัเกเจ็ดปีงานการต้องโดนไล่ออกบัดนี้ก็เขาให้ออกไปแนะล้วเพราะโรคประสาท ทำราชการเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วหน้าทสียดายต่อภายหลังท่านจะล่าเริงที่ขนาะที่มาพบของดีแล้วท่านไม่ได้ไปนะแต่ผมไม่วาไรแลกวอันนี้จะปล่อยปล่อยวางเนะี่ยปล่อยวางแนละ้วโหติดกกรรมให้ในครั้งนี้นี่มาขอสมาลาโทษไม่ว่าไรอ๋อย่าลืมนะัมีตัวอย่างอยู่เสมอนี่มาวานี่เามาลายุ้งปังเนี่ยบอกหลวงพ่อคะ ได้รับตามนล้วนองหัวนองเท้าเวลาหนูสวดมนต์เดินจงกรมก็แกลสายตูดไหลาสายตูดมามันอยู่บ้านเดียวกันแล้วหนูกำลังชาปุกธรรมอีทิเปโสะตะัตนมาลาแบบของครู บ, บาชีวชายเราสอนเขาปาับอกว่าหนูไม่มีเวลาที่เดินจงกรมเอาไว้ก่อนนะประเภทสองอิทิเปโสะตะัตนมาลาของเจ้าประคุณ หลวงพ่อหลวงปู่ปูบาชิวิชัยเราเคยไป็นลเรียนมาตอบหลวงพ่อเดิมหลวงปู่จงวัดนาต่างหลวงพ่อจันร์วัดนางหนูหลวงพ่อจาาจังหวัดประจินเราไปเรียนมาหลวงพ่อปานวัดลมโคเรียนมาทังนั้นแต่คนเราเดี๋ยวนี้ไม่อยากได้วิชาความรู้อะไรเลยเนีเ่ยพอจะแสบไปทางนอกประเด็นนี้จึงโง่เง่าตาวตัวนันชีวิตหน้าเหนือยได อายุสั้นน่าจะอยู่ทึ้งแก่นะกเนี่ยหรือเกียนแนวหรือแก่แล้วอยู่กับลูกหลานให้อีกนานเท่านานจะอายุสั้์ไปแล้วเป็นที่หนาที่ได้ยูพากไ็ไลยฟังว่าเดี๋ยวนี้ครัง <c oughs> เนี่ยเขาสวดมนต์ก็มาแกล้งแล้วไอ้ตระกูลนี่ทั้งตระกูลเลยไม่ทําบุญไม่อยากได้ทาบุญแต่ได้ลูกสับ้ายใจบุญทุนทานเขาก็ หลุกสะภ้ยคนนี้ก็ต่างผ่าป่าจะมาทอดที่วัดของเขาต่างใจไวมากสามีน้องถัวร้ อ, องไห้เสียงเงินไ ป, ปเปล่าก็บอกเสียงเงินเยอะทองเบลเปล่าที่สะพ้ยก็บอกว่ า, วานี่มาจากของเธอเนอี่ยเงินส่วนตัวของฉันนี่แค่นี้มันยังร้องไห้าชีดายดเงินทบุญเนี่คนประเภทนี้ไม่อยากทําบุญทุนทานหรอกก็จะแสะหาเรื่องต่างๆให้เดือดร้อนกลายเป็นบาป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 แม่แม่ผัวปุ่งจัดยาไปทำงานธนาคารไม่ได้แล้วคิดเดินคิดทองไม่ถูกแล้วไปมองขึ้นไปแย่งหรือว่าทำเขามาแล้วก็มาชักท้าก็ไม่เป็นนําท่าสวดมนต์ว่าหันพระทีเดียวเนี่ยโคตรแห็งตามตามสนองที่ผี่สะพ้ายก็สวดมนต์แกล้งแกล้งเขาเวลาเขาเดินจงกอมหรือก็จะนั่งตายตูดไปขวางหน้าขวางตาทําตดมั่งอะไรคำนองนี้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 เนีย่ยเขามาเอาของดีไปหมดแล้วเราอยู่กับของดีกใกล้เคียงกินด่านก็ผมไม่ว่าอะไรเป็นที่หนาที่ใดเวลาของท่านเองที่ได้เสียสละเวลามาบวชไม่ได้มาด้วยศรัทธาเลยไม่ได้มาด้วยสัญชาติปจไม่ได้มาเลื่อมสายต่อบเราพุทธเจ้าของเราเลยการจึงเป็นอย่างนี้ก็คิดดูเอาเองนี่แหละคนที่บวช ด, ด้วยศรัทธาบวช ด, ด้วยเลื่อมสายยากลำบากเหลือเกิน บวชในศรัทธายากบวชนิสงสารก็หายากบวชราบบวชกลองบวชคลองประเพณีบวชนิสงสารบวชปรานสุขประสุขบวชนุกตามเพื่อนก็แบบนี้ไปนี่ฉะนั้นต้องบวชด้วยความศรัทธาเรื่มใจการบวชด้วยเรื่มสายนั้นยากร้อยละหนึ่งบางคนเนี่ยตั้งใจมาบวชศรัทธาขอบวชจริงๆ ่ถาตั้งใจศึกษาเราเรียนปฏิบัติิตใจจำวิปัสสนากรรมฐานศึกษาลาเพศไปเป็นพุทธสารจะทนะที่ดีงามแสดงเหตุการณ์ดีลัตนาสิงห์กเต็งลัตนาธรรมเป็นวิทยากรก็ได้เป็นพิจีกรก็ได้ชาช่วยศาสนาก็ได้แค่บวชสามเดือนเท่านั้นเขาสนใจวิปัสนามาก <c oughs> จิตใจก็อ่อน ศรัทาเข้าไปในจิตของกุศลผลก็ได้ออกมารับรองตอนเป็นหลักฐานมีคนเคารพ น, นับหนา้าือตาอย่างนี้ก็ได้รับเป็นหนา้าที่ผุ้สานผุ้ทนผู้ดีอันหนึ่งก็ได้รับผลไปที่พึ่งใจ <c oughs> นี่เป็นอย่างนี้นี่แหละท่านทั้งหลายเ อ, อ๋ยถ้าหากว่าเราไม่ศรัทธาไม่สนใจไม่เลื่อมใสไม่เป็นไรผมไม่ว่าหลักออกไปเชอะ แล้วอีกข้อหน้ามุขปัจจนามันเป็นห้องกรรมฐานเนี่ยควรจะให้อุต่าเ้าอย่าเป็นบาปนะเนี่ยถ้าทำลายธรรมนธรรมเนี่ยพุทธเจ้าสอนว่าบาปอย่างไร้ายแรงคนที่เขาจะมาเพนเพียนมาเพนภาวนาไปเสียงเอะเสียงดงังขัดต่อเหตุผ่อนในองค์ภาวนาค่อยพูดน้อยก็พูดมากเสียงเ อ, อะมาเชิญโดยไรสาระโดยไม่มีเหตุผ่อน แต่ประการใดไม่ได้ทำกิจวัตรแต่ประการใดแล้วสิ่งนั้นท่านจะกลับบาปอย่างร้ายแรงเรียกว่าทำลายสมณธรรมของผู้ที่สนใจทำเป็นบาปเป็นกรรมอย่างยิ่งทุกสิ่งท่านชื่อเองาคารับผมก็เลิกคิดให้แล้วฉบัร น, นี้เนี่ยทีเย่เราก็สอนกัน ม, นมามาปกปริศาตั้งแต่บวชเรียง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 ดีก็ขอให้มันดีเองถึงหากเราชั่วอย่างไงดวงดีก็อย่างดีหมดไปิมีมันอย่างนั้นก็ดวงดีก็ไม่ต้องทำอะไรมันก็ดีขึ้นมาเองไปเศรษฐีขึ้นมาได้อย่างนี้มันงั้นก็ไม่มีเวรกรรมแต่ประการได้อพอเรียนถวายไว้ <c oughs> คนเราจะเหมือนกันอย่างไงล่ะเนีย่ยไปดูตามหมู่บ้านนะครับบ้านรวยเหมือนกันไหม นับบ้านได้เลยจนก็มีขอทานก็ ม, นาา ม, กนมีบางคนหาช้ามากินข้ามบางคนหาข้ามกึงข้ามหาเช้ากินเช้าเลยนี่ยังนี่นะี่ยเนี่ยไปดูใช่เลยนะให้ด่าเชียวไปดูเลยหลายบ้านบางคนหน้าผภาคภูมิใจดีกว่าคนอื่นอีกหลายร้อยบ้านที่เขาเปิดมาเนะี่ยเขาว่าเขาลําบากแล้วเขาจนแล้วพิจารณาไปดูบ้านอื่นเขาบ้าง ข๋อเรานี่ยังดีกับคนอื่นเยอะอย่างนี้แต่อย่าให้เข้าใจว่าหรืออย่าทําว่าเรานี่โซบานอื่นเขาไม่หมดเรานี่มาแย่แกับพวกเลยจะดูดูตัวเองบ้างก็จะดีเหมือนกันแต่ก็อย่าเสียใจเลย <c oughs> ไปดูต่อไปเองไอ้บ้านอื่นก็ยังแย่ก่บเราอีกอย่างนี้เราก็ภาคภูมิใจว่ายังมีดีกับเขาบ้าง สาคัญไม่มีดีซะเลยลําบากมากนะลาบากจริงๆที่ผมถวายให้คนใจเนี่ยท่านทั้งหลายลองไปดูวัาอื่นดิมีมั้งไหมเดี๋ยวถวายความรู้ทางวิธีทางสองทกนะศึกษามีไหมบ่ดกทกนะศึกษาหมายความาว่าลายสิ่งวรรลบจากการศึกษา <c oughs> ตัวบุคคลเป็นตัวศึกษาดูเรืที่ไหนแล้วครับ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 มาหลายรูปเ แ, แล้วขอ น, นี่นางสาว ส, <c oughs> สาวณีจวิ้งแก้วก็เป็นสีแน่แปดเนี้ยจะตกสี่เก้าไปผู้นวยการศูนย์พระประแดงฝึกฝึกอาชีพคนพิการเพราะคนนำมานต้งสามสี่รูปเน <c oughs> บางทีแขนนะขาไม่มีเลยล้างส่วยล้างชามได้มาฝึกเย็บผ้าตัดกระเป๋าทำรองเท้า ฝึกอาชีพฝึกไบ ฟ, ฟ้าฝึกอาชีพในอาชีนี้ที่ก ร, รมประชาสงเคราะห์นี่เราก็น้าหนุบูตนาไปดูทั้ครับแขนขา ม, มีเนี่ยคนพิการทั้งนั้นเลยที่เด็กอยุทั้งเบ็ดตึงที่3าขวบคนนอกประเด็น <c oughs> มันออกมาจากหมู่บ้านไม่ยินพ่อแม่ออกแม่เอาไปทิ้งกรมประชาสงเคราะห์เลี้ยงเนี่ยคือ คุณชวีวนันสมจิตเป็นผู้หน่วยการปกครองเด็กรุ่นนี้พิาไทยทีม่มาถึงสามสี่รุ่นแล้วไปดูทัศนรับเรามาอยู่ในวัดมันมีทัศนศึกษาเลยก็ผมก็ไม่ว่าไเมีวัดอื่นมีไหมครับผมถามในใจท่านคิดเลขในใจตอบเองว่าวัดอื่นมียังไหมแล้วเขาเนี่ยตั้งแต่ท่านเข้าไปสามันยังมีใครมาเลี้ยงเพลมันไม่มีมเลยเช่หรือ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 ถ้ามาด่าผมนะแต่ผมสอนทุกคําไปนั่นน่ะขสอนคําดีหรือคําชั่วท่านไปกิน เ, เอวนะีไม่เคยเลยเนีย่ให้ไปกินอุจจระหรือให้เข่าดงเข้าป่าไปปล้นเข้าไปเล่นกาพ น, น, านันมีสอนไหมสอนให้ลงน้ําดําไปอย่าบโรสอนให้ไปเข้าเป็นคนชั่วไปไปลกลัวกับคนชั่วหาความดีไม่ได้ไม่ได้สอนนะ ย่ามาดาแล้วนะเราไม่สอนอย่างนั้นแต่ท่านทําตัวอย่างนั้นเองท่านก็ต้องตรงกันข้าบกับผมโดยด่าผมว่าหลวงพ่อจูจีบาบอนี่แหละมั น, ม น, นรกกรรมตน ร, กก ร, รนกงกันข้ า, ขาบาอยูแล้วอขุศรัทกรรมกับขุนศรัทกรรมมันตรงกันข้าบขาวกับดำทํำยังไงได้แล้วมันก็ไปเลือกความผู้ของตัวเองไม่ใช่มีใครก็ไปทําให้แต่ประการใดนี่ขอเรียนถาวายหนึ่งโคิดไม้ และสิ่งวัดล้อมถึงวัดนี้คงไม่มีคนดีเข้าวัดเลยนะคง ม, มีแต่คนชั่วเข้ามาทั้งนั้นการคิดอย่างนี้กันหรือการจึงไม่เห็นทัศนาศึกษาในวัดและสิ่งวัดล้อมกลายเป็เสียหมดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาควรจะคิดได้มีพระพุทธเจ้ายังมีเถรเทวทัศน์ทําลายพระพุทธเจา้าจนถูกถอ น, นี้สุปอย่างนี้เป็นต่อ วัดหนึ่งมันก็มีดีมีชั่วมีพระเอกก็ต้องมีตัวกองเนี่ยในวัดนี้ยังมีอยู่เดี๋ยวนี้เนี่ยทั้งพระด้วยเนี่ยทั้งคาเซนเรนชีทั้งคออยู่ในวัดก็มีพระเอกนางเอกมีคนตัวกองมันก็มีตัวกองอยู่ในหมู่นี้เพราะเมือนงานลิเกเล่นมาด่ออกมาไปพระเอกกันหมดทั้งโลงเล่นด่าเนี่ยมันต้องมีตัวสดายุมีตัวยุแย่ มีตัวอิจฉาวิศยานางตันหาราคานางวิศยาในกายนครของเรานี้เหมือนอย่าเมืองนี้เป็นเมืองนครกายของเราลูกกับน้ําก็เป็นกายนครมันก็มีทั้งนางตันหานางราคานางนางวิศยามีอยู่ในตัวราวเ็จมันก็ยุ่งแย่แตะแคงแสตัวราวเวลาจะไปนั่งกรรมฐ า, านมันก็ยุ่งนั่งทําไม่เมื่อย เยอะเวลานอยดีกว่านี่แหละมันก็มีอย่างนี้แหละน้อแล้วแต่เหรอนี่มาลายมันมันกำจัดความยุ่งเหรอไปแล้วเราสิตอ่ไม่มีสติขาดความติดความหมทุทอนก็พลอยไปก็มันเป็นนางตารหาหลาธานางอารตีเป็นต้นไม่อยู่ในการจะครอนพวกเรานี่แหละมันจะอยู่ที่อื่นแล้วแถมมีรูปประทรับน้ำประทับที่เลียวร้ายอีกก็ามาแทรกในวัด อย่างนี้เดี๋ยวก็ยุคระเดี๋ยวก็ยุคคนนอนเดี๋ยวก็ยุคคนดี้แล้วเราก็เกิดสดายุก็เกิดเชื่อพวกเรามันพวกนุน่นมันไม่ใช่พวกพวกหินโดนล้มไหนมันก็ปลิวนอดโดนติดนอนติดนี่เป็นนุน่นติดตัวไป100ลอยลงาปนี่แหละท่านทั้งหลายเอ๋ยถ้าทองคำต้องสุกไปนะม้าใหญ่ต้องสูกรบ คืนก็ต้องอมขมกับปรนอดทนต่อไปดีกว่าจะได้ของร้ายใส่ใจพวกเราไม่อดทนเลยแตผมเองอดทนมามากแล้วตั้งที่ชาวบ้านเหนือบ้านใต้นี่เราทํำถนนก็ดินโด่งไปในบ้านก่อนด่าคนพ่อคนแม่แล้วนี้บ้านนี้เ่านี้ขอพูดต่อหน้าด้วยแล้วไม่ครูก็ดีกลางถนนให้เดินไปถึงถนนเอเชียดาแล้วทุกวันดา่าเราทุกวันเลย อาไทยคนด่าคนด่าก็ต้องเดินถนนนี้ใช่ไหมนี่แหละครับมานไม่มีบรมีไม่เกิดเราอยู่ที่นี่มาสามที่สามปีแล้วอย่าลืมอยาปืนมายิงเราบานเรามาอยู่นี่นี่แหละท่านทั้งหลายเห็นใจเราเถอดนี่เราไม่ใช่บานอยู่นี่แล้วนอนแล้วไม่มีพี่น้องไม่มีที่นี่อ้อฝากเขาด้วยเราจงมาสร้างวัดได้ทําไม เรานึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเพื่อบำรุงประศาสนาที่เราทําดีก็ต้องการให้บำรุงประสาสนาต่ออายุไม่ใช่หรือไม่ใช่าสสั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเล็กอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่อย่าให้ยุ่งเรื่องสั้นอย่าให้ยาวบอกความในใจไว้เราไม่ใชบาอยู่นี่เลยนะ ท่านทั้งหลายผู้เป็นบัณฑิตคิดสูงวัดหนึ่งๆเขาต้องมีกรรม ก, การวัดมากหลายที่ดีอย่าลืมนะวันนี้ไปวีจะผมองค์เดียวตัดสินใจองเดียวต้องจ่ายไม่มีรายได้แต่ประการได้เลยต้องเลี้ยงดูกันทั้งหมดวัดเบิกจ่ายไม่พักท่านทั้งหลายมีกรรม ก, การไหม เข้าวสารที่ฉันมาบวชนะ่ะบางวัดนี่เขากรรมการตามสมภารจะวัดเป็นแถวคุณแก่ๆเยอะมีอะไรข้าอยาโยมช่วยหมอดละไมนจะยุกวัดนี้มีมั่งหมายขอเรียนถามว่าผมเองเนี่ยยวัดเนี่ยมีกรรมการวัดไหมบ้านเหนือบ้านตายมาเป็นกรรมการผู้ใหญ่บ้านชำนานมาเข้าวัดไหมท่านดูมั่งไหมเห็นใจผมมั่งเถิดผมองเดียวจริงๆนะจะบอกให้ เฮียสางห้องน้ำห้องสวมมีชื่อคนบัณนี้บ้างไหมปกติกรรมฐานเะนี่ยไปดูที่มีชื่อคนบัณนีบ้างไหมไ ป, านะไปา <c oughs> า่าดูกันนะไป่านดูแล้วห้องแถวๆล่ะคนบัณนี้มาสร้างหรือเปล่ามีกรรมการอยู่ไหนอย่าลืมนะไปงอกๆด่าสตางค์มาเ็าใส่ตู้เลี้ยงพระใส่ตู้ข้าไปป้า ให้เป็นหมื่นหมื่นเดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นเนี่ยนี่บางเดือนต้องห้าหมื่นใครเป็นคนออกนี่พนจากเขาเห็นใจผมก็มาทอดปปาให้ติชากิ้งบุรีเป็นทอดปียี่เบ็ดตอนแต่ผมมาอยู่นี่สามสิบสามปีเขาคอยเห็นความยากแยนแทนของผมเขาจึงมาช่วยทอดปปามาปียี่เบ็ดเขาส่ประสารก็มาให้ ตัางแต่เรามีพระสิบองค์สิบห้าองค์งูจนมาถึงป่านนี้เห็นใจเรานะนี่แนหะนี่มีที่ท่านมาบวชท่านมาบวชนานท่านจะเห็นชัดมีชาวบ้านนี่เข้ามาหาเรื่องในวัดมีไหมผู้ใหญ่บ้านกำนานมาเป็นทายกมาเป็นกรรมการวัดช่วยดูแลครั้งหนึ่งทอนให้มีไหมการเห็นใจเราเชแล้วที่เข้ามาเอาเงินมาให้โคมโคลมเนี่ยอย่างโคมที่ดิน มาทอต่อป่าท่านก็รู้อันนี้นะได้ล้านเศษมาจากไหนครับมาจากบ้านเหนือบ้านตายไหมนี่จะเห็นใจเราเถอะผมไม่เคยหวงังผลตอบแทนกับใครเลยนะนี่บ้านเหนือบ้านตายเด็กเหนือใต้ผมไม่ฝากเท่านั้นแต่บางคนย้ายไม่ได้เอาทั่วย้ายไปได้ดิบดีดีเคยเอาอป่ามาสักก ะ, ะเป่งไหมมีไหมนะคนบดีเอเอามาป่ามาสักก็เป่งไหมท่านเห็นใจผมเฉยฉลาด ก็เสียชื่อเสียเสียงอย่างนี้ท่านกดเสียผมก็ไมา่อยู่แล้วไม่ได้อยู่แล้วเพราะคนบัดนี้มาทําหรืออย่างลายคนบัดนี้พายุ่งกับเราเห็นไหมนีม่มาจากกระจายฉันเลยจะเห็นใจที่เขามาปฏิบัติกรรมฐ า, านมาจากไหนท่าบันเดือหรือมาใต้ครู อ, อาจารย์ที่ไหนหรือคนบันเดือบ้านใต้ท่านดูสครับท่านผู้เป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาแล้วจะคิดได้ คนที่งงเน่าตาวจูนทึกมีความรู้สูงแต่จิตจำตามจำไม่รู้เลยะจะพิดไม่ออกเลยจะบอกให้นะแล้วคนที่มาอุปสัมภ์บงเนี่ยคนทัี่มาอยู่ ไ, ไรจำเลยนี่ไปดูลงทัวนับชื่อดูหน้าที่คนที่ลงทัว